แก่โจทยุ่งจนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมลองพักแค่สองลมหายใจลมที่หนึ่งรับรู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านลมที่สองรับรู้ว่าฟุ้งน้อยลงเป็นสุขฟุ้งมากขึ้นเป็นทุกเวลาที่ดีที่สุดที่ควรจริญสติคือเวลาที่รู้สึกว่ายุ่งจนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม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 จิตรู้เห็นความไม่เที่ยงจริงๆแล้วเมื่อจิตเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมปรากฏ ต, ต่อจิตว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงเมฆหมอกหรือพยับแดดที่ประไปในเวลาอันสั้นคุณจะรู้สึกถึงความคลายเนื้อคลายตัวใจสบายหายห่วงกับอะไรๆที่ไม่ใช่คุณรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าไม่มีตัวคุณในกายใจนี้ชีวิตที่เหลือ คือความรู้สึกว่ากายใจนี้คืออุ่นโชความจริงความจริงที่สุดคืออะไรอะไรไม่เที่ยงไม่รู้สึกว่าเป็นตัวตอนอีก